ต่างใจจนในดินฟากันบ้านเราแปรปวนก็คือทัดดินทันน้ า, นานตัดไฟตัดลมแต่ถ้าโดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าบ้านเราถ้าใครดูข่าวฟังข่าวหรือไปมาต่างบ้านต่างเมือง บางที่บางแห่งลุกเป็นไฟไม่มีอะไรทำลุกกันฆ่ากันเล่นตายกันหลายหมื่นบาดเจ็บหกเจ็ดหมื่นประเทศอื่นๆนี่ทำมาเป็นอยธรรมชาติ ถึงมันมีคำอธิบายว่าเบื้องบนคิดยังไงเป็นพระประสงค์ของไทยเมืองนอกเมืองนน ห, นหน้ า, ห, าหนักหนาซ่ากับเราลาวจนลบ ท, ทำอะไรไม่ได้เบนะื้องหน้าร้อนร้อนจนผิวไหม กลับมาดูบ้านเราภูมิอากาศภูมิประเทศอุตุดูดูดูดรอบหรือยังมีความโชคดีปัจจัยสี่มีความ บาานทั้งอื่นมึงอื่นเขายากทำหมากโดยว่าโสดที่เคยทำมากฆ่ากันกำลังฆ่ากันซึ่งก็ไม่รู้ฆ่ากันเพราะอะไรเพราะว่าไม่ฆ่ามันก็ต้องตายอยู่แล้วอันนี้คือความเป็นอยู่ของมนุษย์ความโชคดีอีกอย่างนึ่งคือเรา เราเอาทุกคนมาลองลวิจารณดูกับเพื่อนๆรุ่นเดียวกันหลายคนลวงหน้าไปแล้วเดี๋ยวตัวอย่างคนพูดกลับไปบ้านไปเยี่ยมอยาเกเยี่ยมพี่น้องเยี่ยมมาเกาแกดดังเดือ รุ่นดีกันเลือนน้อยก็เถอไม่เยอะจะเอเก็บกลนกันเดือนน้อยแล้วเออมันจะมามองย้อนตัวเร ว, วโชคดีนึกถึงท่านพอรีก่อนที่จะบงประชามสุดหมดก็คล้ายกัน ทัอเอแม่ทันพอไปก่อนแล้วพอไปในหลังโชคดีที่พอไปบทผพระล้วแต่เป็นคนพูดไม่ไปในเด็กๆต้นแม่กำลังลงไมๆสมัยก็ไม่ได้อยู่ยด้วยกันก็ออกจากโรงเรียนสมัยกันคือปสก็เปบวชก็ไปอยู่บ้านอื่นไม่อยู่บ้านตัวเอง เป็นไงสิบกว่าครบ ร, ปรไปอยู่ที่อื่นแล้วเปลี่ยนที่อยู่ไปเรื่อยเป็นมาทางเหนือาจากวัน่ร้อยสิบเจ็ดไปอยู่แถวการณงปัจจุบันในขณะที่เพื่อนๆอไปแล้วเกลง้ากล่องเที่ลึกเอาไว้บนโลกใบนี้ยังมีโลกยังมีหลาน ที่ต่างกนหมายให้ต้องผจญหน้าต่อคนรักินทันโพลนแล้วก็คิดเนียคิดนเหมือนกันคนที่ไม่มีนิสัยนิสัยเก่าในทุกเรื่องอย่างเช่นพวกเราคนวัดคนว่าต้องทมจำศีลภาวนาถ้าไม่มีใส่ดังเดิมไม่มีมูลเดิมมันยาก มันสแสดงของเราก็มีนิสับาลามีเก่าก็าไปทำไว้มาถึงใ น, นมาต่ายอดเหมือนทุกวันนี้นีความโชคดีนั้นในความโชคดีพวกเราตัว น, นี้ก็ภาระทุระอื่นก็ไม่มีแล้วก็ถือว่าโชคดีแล้วไปอไนมานานเราก็ต้องไปคนเดียวอยู่ดีคือเราจะมีใครไม่มีใครก็ตาม แต่โดยหน้าที่แล้วก็ถือว่าเราทำหน้าที่ดีที่จะตอบคันท่าคนไหนดีก็ถือว่าทำหน้าที่ดีดีกันคนไนนไม่ดีก็ถือว่าช่วงดีจะมาเป็นภาระทุระทจะได้ไปเร็วเป็นลุกทาหของพุทธเจ้าของเราก็ปลดภาระเบื้องภาร ะ, ร ะ, าระในวัยที่29 29ปี ทาหลังครับโลกแต่ถ้าเป็นตัวคุวาจาหรือว่าชาผู้เจ้ากรมต้นอยู่ไปที่29ปีใช้เวลา6ปีทดสอบทดลองหรือตอนเองลองผิดลองถูกเร็วประสบการณ์ตรงแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้มาทดสอบทดลองในชาตินี ในติเตชาตบำเพนมานับไม่ได้เรียกว่าอาทรงขันดูนับไม่ได้เป็นกำลังใจให้พวกเราตอนนี้เรากำลังเดินทางเรากลังไปไปในที่พุจ้าชีที่เราเดินผ่านแล้วปอบมือเรียกพวกเราเดินตามหลังจาก6ปีเสร็จแล้วพระองค์พยานทีเผยแผ่ ศา ส, สนาธรรมในพองคคืนนี้เป็นเดือนที่พระองค์ประสบความสำเร็จคุณงารคือผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมทั้งคุณธรรมไม่คุณภาพอย่างเยมีทั้งคุณาภาพทั้งคุณธรรมถึงปริมาณไม่ได้เยอะมืแค่พันสองร้อยห้าสิบรูปแต่รูปนั้นคือนบริสุทธ เป็นคนบริสุทธิ์เป็นคนที่มีคุณคาจึงเอาเดือนนี้เป็นเดือนที่ประกาศศาสนาธรรมประกาศหลักศาสนาความมัม่นคงของศาสนาเล็กพยายามให้ใบเผยแพร่บอกกล่าวในทุกสารทิศเรากระอัิสมควรใปัปจจุบันนี้ผู้เจ้าประกาศอุดมการ หลักการวิธีการชัดเจนไปจากนี้เป็นต้นไปอุดมการ์ของเราคืออะไรหลักการคืออะไรวิธีการคืออะไรนี่คือพุิกิริยาในสมัยเป็นพันพันปีมาแล้วถ้าเป็นโครงการก็คืเปรียบเทียบในบางส่วนผู้จะเป็น น, ปนักเขียนโครงการที่ดีที่สุดเพราะอะไรเพราะว่า ถ้าอธิบายหลักการเหตุผลว่าทำไมต้องแบบ น, นี้หลักการเหตุผลกี่ยวัวัตถุประสงค์นันคือเป้าหมายของชีวิตคืออะไรจากนั้นก็แ น, นะวิธีการพบว่าก็หลักการอุดมการณ์แล้ก็วิธีการที่ลงมือปฏิบัติแล้วก็ระยะเวลาในการาดำเนินการถ้าเป็นโครงการผู้ร่วมโครงการ เรียกเวลาอันงกงบประมาณไม่ต้องใช้สักบาทรียะเวลาก็คือช่วยประโยชน์ให้อันนี้คือพูดถึงแล้วทุกคนก็คือเราทุกคนเป็นผู้ร่วมในโครงการของพระอผ์ส่วนระยะเวลาลวเราก็เลือกเอาส่วนปัจจัยเรือเงินเรื่ององบประมาณนี่ไม่มีปัจจัยคอที่มีอยู่ ถ้าสี่กันห้านี่ไปดูขับเคลื่อนให้ถึงเป้าหมายนี่คือปพุทินพอหลังจากนั้นแล้วสาวกองพระองค์ก็พยายามที่จะแนะที่จะนำเราก็อยู่กันมาสองพันกว่าปีมาแล้วแปลว่าอะไรพวกเราทุกคนที่วนไปเวียนมาถ้าใครเคยไปอินเดียก็เดี๋ยวเห็นภาพลภาพลักที่ชัดเจน ดเดยพวกเขาอย่กันไว้แพรในสมัยนั้นเพื่อปิยหากลรมบะเพื่อเผยศาสนาตั้งแต่อเชียอเชียใต้อเชียกลางไปถึงยุโรปความมากองอสาัณฐานไปนั้นจะเป็ว่ายิ่ง ใ, ใหญ่มากๆเราก็เกิดก่อศาสนาอีกหลายศาสนาบางศาสนาแล้วกิดก่อนเป็นพันปีบางศาสนาเกิดก่อนก็เกือบหกปี ลกลับมาถึงบ้านเราตอนนี้เราไปที่ไหนทั้งประิยัติหรือปฏิบัติก็ดีวางหลักการเอาไว้ครับปริยัตกับปฏิบัติมันต้องไปด้วยกันเหมือนกับแขนเหมือนกับขาของเราก็จะมีขาเดียว ม, มันก็เดินได้ที่เดินได้ไปไกลขนาดนั้นแล้วก็มีทั้งสองขาคือขาหนึ่งก็ประิยัดิขาหนึ่งก็ปฏิบัตินะ มันชัดเจนเรีว่าต้องไปด้วยกันนะที่เป็นคนค้าด่วนไม่ได้เอาปริยัติอย่างเดียวไม่ปฏิบตัตินั่นคือค้าด่วนจะเอาปฏิบัติอย่างเดียวโดยไม่รู้แผนที่เลยเป้าหมายนะ่นคืออะไรก็คือค้าด่วนะนั่นแหละมันคือค้าเดียวทำไม่ได้ปันก็ต้องควบคู่กันไปทั้งปริยัติและปฏิบตัติอันนี้คือร่างกาย มันสอนเราแต่ถ้าไม่สนใจเลยปริยัตก็ไม่เอาปฏิบัติก็ไม่เอ า, เอาขาขาดสองข้างเลยดิหนักกว่าเก่าเลยหรือจะก้าวหน้าเดินเคลื่อนไหวไปมายังไงกันขาคุณไม่มีแล้วคุณจะไปยังไงกัน็คือไม่เอาอเลยเลยอ น, นั้นคือคนที่ขาดปริยัตยิปฏิบัติเรื่อความสําคัญทาให้เรามองเห็นภาพที่ชัดเจน ตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเรามีขาเดียวหรือสองขาถ้าใครมีขาเดียวอยู่พยายามเพิ่มขาหนึ่งให้มันคงอยู่ได้ไปได้เร็วทั้งประหยัดทต้งปฏิบัติซึ่งมขาด ไ, มได้เปยในสมัยผู้ธการจะไปคิดว่ามไม่มีประหยัดปุยยาวลางังจากบทแล้วก็วจะถามว่าทิศทางความต้องการวัตถุมค์ จะเอาประะิัติดีปฏิบัติก็คือการตาธุรณหรือวิปัสนาธุรม บ, บางรูปบางองค์บอกบอกื่อแก่แล้วเรียนไปมากไ่คงไม่ไหวท่านก็อนเอาคุสลบายนะเอาวิปัสนาธุรมคือปฏิบัติแต่ว่าก่อนวิปัสนาธรระท่านก็จะสอนไม่ให้ปล่อยเข้าไปเฉย เราก็าะเน้นสอนโดยพิธีพิถันจิตนิสัยซึ่งผู้เ้าพระองค์มองเห็นว่าพื้นฐานนิสัยดั้งเดิมบารมีเก่าความเป็นความโชคดีคของพระองค์นั้นมิใช่บัวแล้วก็ไปปฏิบัติเอาเองมันก็เข้าหลักการนั้นบวเราก็ถือว่าโชคดีหรอต้องมีงท่งค่ะทั้งบริยญแล้วก็ปฏิบัตินะ อยู่ที่ว่าแต่ความโชคดีมีแล้วไม่เดินมีคาดีๆแล้วไม่เดินคือไม่ลงปฏิบัติไม่ได้เป็นต้นด้วยสินสมาธิปัญญาบางไม่ไดกล้าไปไหนไปเฝ้า ม, มีสิ่งปฏิปัญญาตัวปัญญาจะเป็นเรื่องสำคัญบ้างสำคัญที่สุดถ้าลําดับตึงความสําคัญสําคัญ สำคัญกว่าสําคัญที่สุดเรียงลแบบําดับตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหนเราแค่เอาขอแค่ขอสำคัญว่ามื่อกาานเราก็าไปยุติตัวที่ทานนี่แหละบวเมาเรื่องกาทานจนโอง่งพระราดาจนเลิศลำ้ทำทําบุญเท่านั้นได้ตอนนี้ทําบุญท่านี้ได้เท่านั้น อ, อุปมาอุปไมยปีติเที่อ เ, เป็นเริ่ม ในเรื่ออทานอย่างเดียวแล้วอื่นๆที่มันไม่ต้องลงทุนอะไรเลยที่พระเจ้าสอนเราสินลงทุนสักบาทไหมก็ไม่ส ม, มาธิลงทุนสวกบาทไม่ปัญญาไม่แต่เราไม่เอาเราวังแค่ทานแต่ก็ยังดีนะแต่บางคนทานก็ไม่เอาเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นเสันโลกจะอยู่กันยังไงเพราะว่าใจตัวเดียวแท้ ทีเราไม่เข้าถึงใจของตัวเองก็ไม่เห็นใจไม่เห็นใจกับตัวเองว่าสภาพมันเป็นยังไงมันจะไม่มีน้ําใจใจมันแห้งใจมันแล้งใจมันไม่มีธรรมะหล่อเลี้ยงก็งเหมืับควเป็นจริงของโลกมนุษย์ตรงไหนที่น้ํามันแห้งมันแล้งมันก็อยู่ยากทําอะไรไม่ได้ ามาหากินเกษตรกรรมอะไรไม่ได้นะมันแรงน้ํามันมีครอบอยู่มีดินมีน้ํามีลมมีไฟก็แต่มันใช่ไม่ได้เพราะนั้นสิ่งที่อยู่ในตัวเราคือดินน้ำไปลมฟังชัดๆเรียงชัดๆอย่างดินน้ําไปลมแปลว่าอะไรแปลว่าตัวลมคือตัวสุดท้าย แต่บอลลอไปมันไปก่อนตัวที่ไปก่อ น, นก็ตูวลมนี่แหละแต่เวลาเรียงตามลำดับดินแล้กันน้าแล้วก็ไฟแล้วก็ลมบนบนโลกใบนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นแผ่นดินส่วนที่เป็นน้ําเรารู้หรือไม่ว่าส่วนที่เป็นน้ำแบบเยอะกว่าดินเยอะกว่าส่วนที่เป็นแผ่นดินเรียกว่ามหาสมวนหมด คือถาดน้ำมือตัวเราต่คิดว่าดินมันเยอะน้ําเยอะส่วนที่เป็นดินเอาความเป็นจริงจะเป็นอยู่เราแค่มองเป็นเกษตรกรรมดินมันก็ต้องดีดินมันก็ต้องพร้อมแต่ที่สำคัญคนจะต้องเตรียมไว้คนทนํานาคนทําสวนมันก็ต้องเตรียมไม่ใช่สักไ ป, ปว่าดินดี ทำอะไรก็ได้ปลูกอะไรก็ได้มันไม่ใช่มันต้องไถต้องพูนใส่ปุ๋ยมันถึงจะลงมือหวานไทยปลูกไอ้ที่นั้นๆจะได้ผลมันมีองค์ประกอบไม่ใช่แค่ดินอย่างเดียวมันมีทั้งดินมีทั้งน้ำมีทั้งไฟมีทั้งลมนเขาก็ต้องการลมคืออากาศก็คือออกซิเจนมันเองต้นไม้ก็ต้องการ ทุกอย่างน b กับตัวเรา b o d กับตัวเรามือร่างกายของเราดีนะไปลงทำขาดอันใดอันหนึ่งหรือว่ามันหนักไปมากไปมันแรงไปเกินไฟมากไปอับเดือดร้อนลมมากไปอับเดือดร้อนในตัวเราเราเจ็บแค่ไม่สบายไม่สมคีกันมันมากไปไม่สมดุลกัน นั่นที่เราเติมทุกวันเติมดินเติมน้ําไฟเติมลมเติมทุกวันเมื่อธาตุทั้งสี่มันอยู่ด้วยกันได้เมื่อธาตุสีอยู่ด้วยกันได้ต่อไปธาตุทั้สีดินน้ําไฟลงที่เราเหน็นอยู่โดยสภาพก็เล่าซ้ำอีกครั้ง ไปที่ไหนก็เราคงจอผู้ใดเพื่อให้เรามองเป็นภาพรวมวันก่อนสองสาวันผมมาถา่ายไทเทานี่บอกว่าทุกคนมหาลุมเพอร์เหมอนว่าเอาธรรมามาให้เขก ว, เนนว่เป็นนักวาดเป็นศิลปินเป็นนักเขียนจิตกรรมผ้าผนังรวมเหมือนทุกเลประมาณนี้แล้วคนนี้ก็มีความสามารถจินตนาการ เลยฝ า, ากเพาะว่าการปฏิบัติธรรมของคุณเรานถ้า่ะให้ประสบความสําเร็จเหมือกนกำลังวาดตีลมอเล่าแล้ว เ, เล่าอีกไปที่ไหนก็จะเล่าไปต่างประเทศเล่าอย่างนี้เพราะนั้นนักปฏิบัติก็คือถ้าเราเข้าใจภาพสภาพ 1, ภาพหนึ่งภาพตัวภาษาภาพที่หนึ่งก็คือภาพคนโดยทั่วไปเหมือนพวกเราทาาราั้งผู้ายผู้หญิงผู้ชายเด็กเลกคนชลาที่สมบูรณ์แบบแต่งตัวหล่อเพว เป็นภาพแรกภาพที่สองอีมนิดหนึ่งเข้าไปข้างในทั้งผู้หญิงทั้งประชายถ้าเรามองเราแหวกออกมาไดนึดนงเราเห็ยนตับไปใส่ปุงใส่น้อยใส่ใหญ่พุทธะปัสสาวะซึ่งตัวทั่วไปมองให้เห็นอันนี้คือภาพที่สองแต่ยิ่งเห็นการเต้นของหัวใจเป็นการดีแต่ก็จะเป็นตุกตับตุกตับตุกตับหาใจเข้าหาใจออก ก็ไปน้ำเข้า ไ, าไลงกระเพาะได้อยู่ร่างกายมันก็นซึมซับเป็นอาหารไปอยู่ได้ต่อมาจะเห็นภาพนี่คือภาพที่สองซึ่งเป็นภาพที่เราไม่เคยเห็นกันเอาแค่ภาพแรกเราก็อยู่กันแล้วก็หลงมอหาจนหัวปักหัวปั๊มกันแลอนไม่ขึ้นบอกไม่ขึ้นผู้หญงรักผู้ชายผู้ชายรักผู้หริงฆ่ากันไปฆ่ากันมาก็อพออย่างนี้ เป็นรายวันไอเป็นขาวอยู่กระแสอยู่ยาวอยู่ตัวนี้ก็เพราะอันนี้ชายขาดไปหญิงไปหญิงขาดไปชามึงเป็นราคาขาดไปเลกเองเองอยู่กับขาเองนี้ไปไหนไม่ได้เป็นกต้องเป็นสมบัติของขาดต้องขากันได้ขากัดินน้ำไปลมนี่แหละแต่ไม่ได้ค่าจิตใจขาติดินน้ำไปลมพวกกองก็แจกกองสวยกองงามอันนั้นในกรรมฐานทั้งสี่ อสุภะเป็นตัวสำคัญตัวบอกอะไรคือภาพที่สองภาพที่สามอยากให้พวเรามองเห็นคือถอดออกหมดเสื่อผาอาภรณ์เพื่อไม่ให้อุจารพาดออกหนังลอกออกมาหมดหรือแตกโครงกระดูกจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายไม่รู้ แล้วที่สำคัญตัวที่มันสิงสถิตอยู่ในร่างกายทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบไปไหนต่อที่เราเรียกว่าตายทีนี้ภาพหนึ่งสองสามนี่มันยงอยู่บนโลกใบนี้และตัวที่มันไปคืออะไรเราลงมาทั้งชีวิตคือภาพที่หนึ่งภาพที่สองภาพที่สามเรายังมองไม่เห็นเลยเอาแค่ภาพที่หนึ่งนะก็เราก็โมหาปิปดบงังเราจนมองอะไรไม่เห็นอย่างนี้เขาเรียก มองไม่เห็นอ น, นิจจังทุกขงังอนัตตาเป็นอ น, นิจจลักษณะคือมันปิดบงังไว้ทําให้เราบองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เราะ ว, ว่าปัญญามัเกิดปัญญาเรามันไม่ถึงคือสติปัญญามไม่ถึงยิ่งมองมเห็นภาพนั้นในเวาที่เขาแปลว่าจะนับบ่งภาพหนึ่งสองสามให้จบทีเดียวจบทีเดียวก็จ บ, วจบและ น, นี่คือการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับ ไปคือใช้ได้กับทุกเรื่องเพราะอย่าไปมองที่อันใดอันหนึ่งแล้วก็จบภาพต่อไปภาพจนจบมันเรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเรามองอตั้งต้นจนจบเอันนี้เขาเรียกวิปัสสนาวิปัสสนาคือรู้เห็นโดยปัญญาของตนเองตั้งแต่ต้นจนจบไม่ใช่อเอาแค่เห็นด้วยตาเนื้อตาหนางังตาธรรมดาแล้วก็ติดห้ อ, องมองัวเมาซึ่งกันและกันอยู่อย่างนี้ เพราะนั้นในกรรมฐ า, านทั้งสี่คือหนึ่งเอาผู้เจ้าเป็นหลักนะปรั ธ, ธานรษษู้สติพระเจ้าเมตตาเมตตากันเข้าไว้จะได้ไม่เกิดกองเปียกกองปูกองลูกกองหลงเมตตาเมื่อขึ้นมราทำร้ายกันไม่ได้ทําร้ายกันไม่ได้อมตตาสุขสุขะนะสุขะคือมรณะมีความตายเป็นที่จบก็คือหนึ่งสองสามเสร็จแล้วจิตละจิตละ่ะไอตัวที่ไม่ตายมันเกิด อ, อะไร กายมันตายแต่จิตแล้วมันไปไหนคนไม่มีปัญญาคิดไม่ได้ดมีแต่ความอาลัยอาวร์เสียดายโรมนัดคุณข้อหมองใจตั้งแต่ต้นจนจบอยู่กันตั้งนาน6กสิบเจ็ดสบปีแปดสิบ ป, ปีไปแล้วหรือเสียดายมันไม่ใช่ความผิดหรอเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดา แต่เราก็เคยคิดเอาไว้ก่อนเลยไม่ได้เผือขาดเื่อเรือแม้แต่ตัวเราเองก็เช่นเดียวกันถึงบอกว่ามาพุ่งแต่ต้นแต่เรายังโชคดีเรายังมีชีวิตย อ, อยู่ยังได้เพื่อนเพื่อนพอแม่ปูยาตาใหญ่ไปหมดแล้วภาพทั้งสามปรากฏกับเขาแล้วมันดับไปแล้วแต่เรายังอยู่นะภาพทั้งหมดอยู่ในตัวเราตอนนี้คำถามก็คือ ตอนนี้เรามองเห็นภาพไหนมากกว่ากันภาพที่หนึ่งภาพที่สองภาพที่สามหรือมองไม่เห็นสักภาพเลยหนักเลยตาบอดนะไม่ใช่ข้างเดียวนะไม่เห็นอะไรเลยเดินเหินไปมาแบกไปแบกมาดินน้ำไปลงสูบทุกจุนแต่ไม่เห็นความก้าวหน้าความคืบหน้า ของมันเลยแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรมันแบกกันไปแบกกันมาเป็นภาระเป็นธุระเป็นพันธะที่เราจะต้องอยู่กับพวกเหล่านี้ภูเจหัวภ ร, ราหาวเป็นจากกันธาชัดเจนการห่านเป็นภาระนะมันเป็นคนหนักนะหนักที่เราจะต้องแบกแบกไปแบกมาต้องไดเกิดจนตาย ว่างไม่ได้อันนคือภาระกับเป็นธุระที่ต้องเป็นทุระจัดการกับเนื้ให้มันจบเป็นพันธะคือผูกมัดผูกมัดดัดลึงซึ่งกันและกันคลายไม่ได้แก่ไม่ได้มันก็เชื่อกเขาวัฏทะถ้ผูกก็นึอถึงเชือกไม่รู้กี่อย่างกี่ร้อยเี่มัดตัวเรื่องไหนเป็นเรื่องไหนบ้างเราก็ไม่เคยแก่มัดตัวเองจนอยู่ อันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตหรื่ความเป็นอยู่ของพวกเราเราหลันการปฏิบัติธรรมต้องการให้เราแก้ผมสิ่งเหลนีใ้ให้ให้ออกอย่างน้อยก็ยังอย่างน้อยก็รู้จักเห็นภาพว่าโอ้นี่ภาพแรกไม่ใช่ภาพแรกแยังไม่ผ่านไม่เป็ไหนไม่ไหนพราะกัปปสุภะเนี่ยมันต้องมีในการปฏิบัติในวงกลมคิดของพวกเราวันจะต้องเกิดขึ้นได้คือปาชนะคือคอาวามตาย เราจะรียกตุลานะกรรมฐานเพื่อพิจารณาครบทั้งสี่อย่างมันจะเป็นกําลังทั้งกําลังกายและกําลังใจมีการปฏิบัติของผู้รล่อมันก็มีแค่นี้พิจารณาคุยกันแต่นี่ก็สวดด้วยนะกรรมฐานทั้งสี่แลว้วสวดแต่เราไม่เข้าใจไม่น้อาเสียดายเป็นคําสอนที่ดีมากๆเป็นกรรมฐานที่สุดชอบอันนี้ลุงปู่เาสออกากระต่ายใช่รือเปล่าโไม่ช สาบากรนานกับไม่ใช่เป็นความคิดของท่านตำราเดิมจริงเพราะว่าน่าจะเป็นพรสุเด็จับแต่หลวงปู่สองมาใช้แต่คขาไ่ขยายคำว่าขยายคือเช่นคำว่าอาสุภะถ้านรเอาขยายโดยอาการสามสิบสองที่เราพานากันที่เราสวดกันหลากจะ อ, อ้างสูติโตอายางโคโมีกายโยกายของเรานี้แล้วเบื้องบนภาลนาถึงนูน้น โอ้อกไม่ใจตับแต่แซ่บฟุ้งแซ่น้อยแซ่บใหญอุจจะปัสสาวะคือภาลนามาังอันนี้คือจะเรียกว่าอสุภะคือจะนาอสุภะแค่ท่องแต่เราพูดกันเนีเพื่อให้เข้าใจขา้ที่สองนี่แหละแต่เรายังไม่เข้าใจมันเป็นแค่ความจําคือสัญญากระสวดกันทุกวันไม่ใช่ไม่สวดปันพาแต่ละกระสวดภาลนาหลังจากภานาถึงพุทุคุณก็คือพุทธานุสตินี่แหละก็คือตัวนี้ คืออสุภะแทบจะครบเลยนะปังจจริงอ้าังสุกิโตคือต้องการให้คนมีแมตตาส่วนมรารณะนั้นน้อยเป็นคนที่นึกได้เพราะว่าไม่อยากคิดเพราะกลายเป็นเรื่องน่ากลัวเรื่องของความกลัวไปก็คือภัยนลทง่มาใ้แค่ไม่ค่อย ค, อคิดไม่คิดถึงเรื่องความตายนตัวสุดท้ายอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะอบรมในตควน้อง ก็หามาในชีพมันจะมันเราให้เห็นบางภาพทั้งหมดนี่ว่าตรงไหนมันเป็นภาพไหนภาพหนึ่งสองสามจะต้องเออจิตของเราอยู่ตรงนี้เห็นละภาพที่สองเห็นทั้งหมดแล้วอาการสาหัสี่สองเลยากขึ้นมาตัวพี่เจน่าเพื่อทําลายตัวอสุภาษณิเลนพระเริญครับเออทั้งหมดนั้นมันแค่หนังห่อข้นมอยู่แม้แต่ภายนอกเองเราก็ยังมองไม่เห็นว่ามันอสุภา ก็เราชำระทุกวันที่เป็นกรรมฐานทั้งห้าก็คือผมฝนนึมตะกูลเดียวกันผมผนแล็บฟันก็นคือปากแล้วก็หนังเป็นที่อยู่ของสุกับศพง ม, มวันไหนถ้าไม่ชำระดูถ้าไม่ทความสะอาดดูก็จะเห็นภาพภาพ อ, ออกมาภาพก็คือภาอสภาสภะ ไม่ใช่พักมันเก่งนะกูแต่เพื่อนเราชน ะ, ะทุกวันก็เลยกลายเป็นว่าเรามองไม่เห็นว่นเาเราสุกเอาปกผู้ง่ายๆคือไม่คิดเ่าจะยัสุกเอาปลกทุกเรื่องที่มีตัวเราถ้าเราสมมติ ด, ดูงูเราผมผมอยู่บนชีสารยู่ดีทีมันตกใส่ถ้วยใส่ดานใส่แกงเอาเดือดรอนละบนชีสระไม่เป็นไรแต่พัดตกลมบนข้าวปลาอาหารเนี่ยโอ้ทวงแตกละ คนก็เช่นเดียวกันแลบนก็เช่นเดียวกันฟันนี่ก็เช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสิ่งที่ก่อสร้าบกอยู่ในฟันเชื้อโรคเชื้อราแบคทีเรียทํำให้ตัวใหญ่อยู่ในปากอยู่ในฟันหรือว่าน้ําลายไปอยู่ในปากไมเ่เหลือสือ่อกุศลอะไรพอออกจากปากไปแล้วโอ้ไม่ได้หลบถุยหองถมน้ําลายลงไปออกไปข้างนอกไปเป๊บเดียว โอสุกกรบกเธอที่สุกกบกจังของสุกกรบกมาจากไหนมาจากปากเธอนั่นแหละแต่อยู่ในปากเธอเธอมองไม่เห็นคือมองไม่เห็นดุจปัญญาปจุจจาระปัสสะเช่ น, นกันอยู่ข้างในมันมสุกกรบกมันเน่ามันเหม็นพอออกไปข้างนอกนี่เดียวกายเป็นของเน่ขาข้านกลายเป็นของเสียและอยู่ข้างในเราไม่เห็นเพราะมองไม่เห็นมองไม่เราเป็น อ, น อ, อสุภะมองไม่เห็นภาพที่สอง ปัญญามันก็ไม่เกิดการละทอน ป, ปล่อยวางในรูปสังกายสังขารทาสี่กัห้า 5. ดินน้าไปลมมันก็ไม่เกิดเมื่อไม่เกิดมันก็อยู่อย่างนี้ยแดด ก, กันได้เดกกันมาดินน้ําไปลมเย็นนอนอ่อนแข็ ง, ส, ง ส, วสวยสวยงามงามี่ตามมาวพอจิตมันไปยึดไปสวยของมันไปแช่ของพมันอันนี้แค่รูปอย่างเดียวนะเราพูดถึงรูปอย่างเดียวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังไม่ได้พูดถึงเลย แค่รูปตัวเดียวเรายังไม่ผ่านรูปนี้ถือว่าของหยาบที่สุดเลยที่บรรดามีอยู่ในขันหา น, นี่คือรูปเวทนาสัญญาสังขารนิยางของหยาบเรายังผ่านไม่ได้เลยพูดง่ายๆก็ของเล่นๆของขี้ๆเรายัางข้ามไม่ได้ไม่สามารถจะข้ามวิสิิปัญญาได้นถ้าของละเอียดกว่านั้นคือเวทนาสัญญาสังารจะไปข้ามจะบรรลุจักมันได้ยังไงมีแค่ชื่อมันไม่รูปเป็นร่างมือนรูป แล้วไม่ผ่านนะไม่ผ่านนะแล้ตาเป็นสอบเร็วสอบตกสอบไม่ผ่านเพราะฉะนั้นถ้าใคอยากจะสอบผ่านก็ขยันยันต่อ ย, ยอดยันมองตัวเองมองอคบทั้งสามภาพทั้งอย่างเราจะเห็นตัง้งไปตั้งจนจบนะถ้าใครเห็นเร็วดับเร็วก็คือเห็นการเกิดขึ้นการตั้งอยู่และการดับไปเร็ว ก็คือเห็นการเกิดการตายการดับเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีที่สุดอารมณ์ของวิปัสสนาเป็นอย่างนี้ถ้าอารมณ์ต่างๆอย่างนั้นไม่เกิดขึ้นในการปฏิบัติของพวกเราก็คือก็ยังมีการยึดการถือยังปล่อยอย่างวางไม่ได้ถ้าอารมณ์กระทบแล้วยังไปต่อโดยเป็นสุขะก็ดีทุขะก็ดีอุเบกขะก็ดีภาษามันกระทบเราอยังไปต่อก็เพราะว่าเรา ไปต่อด้วยสังขารนี่เองคือไปปรุงประแต่งนี่เองมันจะไปต่อยืดยาวต่อความยาวสาวควายืดมันจบไม่สิ้นมันไม่ดับมันพูดยังไงมันเกิดแล้วมันไม่ตายมันผป็ธรรมชาติทุกคนรู้สปปรรพสิ่งมันเกิดแล้วมันต้องตายเกิดเติมเติมดับมันอยู่ไม่ได้ไว้สภาพอย่างนั้นจะเป็นสังขารแบบไหนก็ตามเป็นตัญหา ภูเขาสายน้าําำคนจัดมันต้องตกเกี่วงจรหรือกระบวนการอันนี้ถ้าจิตเรายังไม่เห็นสิ่งเหล่านี้อยู่โอุกยันมันไม่เห็นสิ่ง น, นี้ก็แปลว่าอะไรมันจะเห็นสวยงามก็คือการมาคุณการมาร่วมการมาพบนี่คือสิ่งที่จิตมันจะไปจิต ท, ที่จิตจะไปเกิดจา ก, จะ ก, จะกจะอะไรเกิดจากกรรมกรรมอะไรกรรมยุทธิเครื่องหมายของการกระทําของเราเนี้ย คือมันถึงอะไรเจ็บมันจำอะไรไปอาการทำทางกายหรือทางใจก็ดีเราคำนิมนต์คำนิมนต์มันเกิดขึ้นแล้วเมื่อจิตออกจากต่างก็เหมือนกับเรานอนหลับเราบังคับได้ไหมว่าอันนี้เป็นไม่ได้มันก็จะไหลไปตามอารมณ์คือมันนึกอะไรขึ้นมาภาพมันจะปรากฏภาพอันั้นก็จะปรากฏขึ้นมานี่คือกำนิมนต์ขึ้นมาเครื่องหมายนิมนต์แปลว่าเครื่องหมายถ้าเป็นหนึ่งคือฝันแหละ มันสั่นไปมันไม่จบไม่สิ้นนั่นคื อ, ครอกรรมนิเวศจิตออกจากล่างไปแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นเหมือนคนนอนฟันคนที่มีสติบังคับไม่ได้ในขณะที่เราฟันคิดไม่ได้คือคนไม่มีสติมันเป็นอย่างนั้ในขณะที่ลืมตาอยู่ก็คิดไปไเรื่อยๆไม่รู้ตัวเองคิดอะไรคิดมันดาไม่ได้พอรู้ตัวคือสติแล้วรู้ตัวอ้าวไปตะลอดไปไหนแล้ว มันถึงสองสามนาทีมันคิดหรือมันฝันไปคือเรื่องอย่างนี้เขาเรียกว่าฝันกลางวันเราจะไปคิดว่าฝันกลางวันไม่มีนะนี่คือการฝันกลางวันส่วนกลางคืน่ฝันเกิดจากร่างกายไม่ทํางานแต่กลางวันมันเห็นอยู่มันก็ยังฝันอยู่คือนิมิตนั่นแหละคือหมายเราฝันกลางวันให้บอกไม่มีการฝันกลางวันนั้นไม่ใช่ ทุกวันเราฝันกลางวันตาเห็นรูปอะจินตนา ก, การไปโอ้แม้แต่ได้ยินตาไม่เห็นแ่ก็ได้ยินเสียงแล้วก็จินตนา ก, การได้แต่เสียงนี่คืออะไรก็คือสัญญามาทําหน้าที่สังขารคือปรุงต่อวิญญาณคือการรับรู้แล้วมาเกิดเร็วจําเร็วนึกเร็วจําได้เร็วคือการทําหน้าที่ของจิตเพราะถ้าจิตของเราต้องการเกิดการดับเพื่อเกิดการดั บ, ดดบหลายเดือง ในวินาทีสองสามวินาทีไม่รู้กี่เรื่องมันเกิดดบเกิดดบเกิดดำอยู่อย่างแต่เรามองไม่เห็นหมองไม่เห็นด้วยปัญญาแม้แต่สัญญาก็ยังจำไม่ได้อย่าไม่พอปัญญาเลยอันนี้อีกสิ่งที่เราขาดอยู่เราไม่มีจึงจําเป็นอย่างยิ่งต้องใช้เอวบททั้งสี่คือเป็นที่มาของกันติดบางทุกคือยืนเดิน น, นอนนี่แหละเป็นตัวกําหนดยืนให้มันมีสตินั่งให้มีสติ เดินก็ให้มีสติส่วนนอนไม่ต้องมาพูดถึงตัดออกไปได้เลยพอหลับแล้วก็คุณไม่ต้องพูดถึงทว่าสติแล้วมันเป็นขวางแค่จิตจิต ท, ที่มันก่อภพก่อชาติไปเกิดขาหน้าจิต ท, ที่มันฝันนั่แหละมันทําอะไรไม่ได้เลยมันฝันอยู่ในขวางแค่จิตอยู่ในองค์ความฝันทําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะหากินของความฝันก็รอนอนหลับก่อนหากินของความฝัน ต้องอยู่ความจริงในปัจจุบันฝันกับวันอ น, นนี้ที่สุดพออย่างน้อยเราจะได้แก้ไขได้จะมีโอกาสที่มีสติเรือกสติกับคื้นขึ้นมาได้การปฏิบัติธรรมต้องการให้จิตของเรารู้จักสภาวะที่เป็นอย่างนี้วิธีที่เราจะต้องทํำยังไงก็มีสองอย่างที่เดินไปขนาด้ก็บอกสองฐานะหนึ่งต้องมีการเรียนรู้การเรียนรู้ปริยัติไม่ได้แปลว่าอ่านห น, นังสือว่าปริยัติ ไม่ได้ว่าเรียนหนังสือที่เราเข้าใจปริยัตยิคือเรียนรู้ร่างกายของเราเนี่แหละมองเห็นภาพหนึ่งสองสามสี่นั่นคือปริยัตยแต่เราไม่มีเลยคือไม่มีภาพสิ่งนี้ขึ้นมาเลยมีปริยัตยนี่คือขาสองคือปฏิบตัติเห็นแล้วต้องลงมือทําต้องสองขาดีที่สุดสองขาเรามีแล้วตอนนี้ปริยัตยเรามีแล้วปฏิบัติก็มีแล้วหรือได้ปฏิเวทนั่นแหละคือพอมาปลายทางอย่างมันเกิดขึ้น บางคนก็เกิดขึ้นแล้วมากน้อยไม่เป็นไรก็ถือว่าเราเข้าใจหลักการนี้แล้วแปลว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ของเราท่านเกิดครบแล้วปริญญาต้นมีแล้วปฏิบัติท้อมีแล้วปฏิเวทท่านมีแล้วครบทุกอย่างเพราะฉะนั้นแต่ที่เราพึ่งพาครูอาจารย์นี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่ว่าเสร็จต้องไปขู่เพราะแบบขู่า้องครับพร้อมที่จะแนะพร้อมที่จะนำให้เราดูแต่เราต้องตามนะไม่ใชแนะก็แล้วนำก็แล้วไม่ตามอ่ะ ขามีสองขาแล้วแต่ไม่เดินคือไม่ลงมือปฏิบัตินะเดินกับต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมเนี่ยแล้วแต่เมื่อไหร่จะถึงเอาคุณเดินแค่คลืบแค่ซ้อยังไม่พอวัดหนึ่งเดินแค่สองสามคลืบแล้วคุณเมื่อไหร่จะถึงเออเพาคุณไม่เดินคุณไม่ดําเนินการไม่ปฏิบัติหาคือดำเนินการจะต่ง า, างเด่ น, นี้การเดินโดยของเรากลายเป็นการนิ่นชา้า การปฏิบัติธรรมของเราต้องการกันแนชา้าแน่ช้อะไรเสียเวลาเสียเวลาที่เทนจะไปไกลมากกว่านี้ไปให้หรือไปไม่ถึงเป้าหมายแต่ว่าไปให้มันมากถึงเที่ยงมากได้ให้มันใกล้เป้าหมายที่สุดเที่ยงมากได้กนั่นก็คือสามห้าเจ็ดชาติเป็นอย่างมากถ้าเราทําจริงจังต่อเนื่องท่ากนการรับรองอยู่แล้วเอกรพชที่ท่านเดียว กุหลังกุะสักขตุปธรรมะเนี่ยยางมากที่สุดก็คือเจ็ดแต่ต้องต่อเนื่องนะอย่าไปโทษปจัจจัยภายหลังโอแล้วไม่มีวาสนาบารมีอย่าไปโทษเพราะท่ า, ทานได้รับไปแล้วเราทาอย่างจริงจถูกต้องมีหลักมีการมีครูมีอาจารย์แล้วก็ต่อเนื่องต่อเนื่องหมายถึงความเพียรมันต่อเนื่องมันได้ผลแน่นอนในระดับใดระดับหนึง่งอาจจะมาถึงที่สุดแต่ว่าระดับใดหนึ่งมันเข้าใจละกันอย่างน้อย ที่สุดคือเราไปได้ไกลมากกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้แต่เราก็จากเชเ่ อ, เอๆเลยเราให้วันหมวัน ห, ด, หดเดือนหมปีไปสียดาโอกาสสียดาเวลาจะบอกเรายังมีชีวิตอยู่นะและยังมีโอกาสดีกว่าคนอื่นดีกว่าอีกหลายๆที่หลายทางในประเทศนี้ในโลกนี้เราคือผู้โชคดี ที่ไม่อยู่ในทรรกลางสถานะอย่างนั้นทั้งปัจเจ sĩ ก็ดีหรืออื่ น, นๆโดยทนั้นเองเก็ถือเราโชคดีที่สุดเพราะเราไม่ได้โดนค้นกวายหาของเรานะั้นส่วนเขาเหล่านั้นยังแค่ปัจเจ sĩ ย, ยังไม่พร้อมเรื่องปฏิบัตยิยังไม่ต้องพูดถึงเลยเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องนิพพานยังไม่ต้องพูดถึงเลยเห็นไหมความยากตรงไหนความไปฏิบัติถือว่าเราโชคดีแล้วพาถึงขนาดนี้แล้ว เราไม่ต้องรงทุนอะไรเลยเพียงแต่ทําความเพียนให้มันทีน้อยมากน่อยเยอะน้อยตอนน่ อ, อเนเื่องใหม่ความเสี่ยงเคยตามมาแตก็ขอเป็นกําลังใจให้เราทุกคนอย่าลืมมองภาพทั้งสามนี้ให้เห็นทุกวันบางน้อยไม่เป็นไรคอยเห็นนักตามภาพอย่าไปเห็นแค่ภาพแรกแล้วครับจบอยู่ภาพนี้เห็นภาพที่สองด้วยที่สำคือภาพที่สามด้วยเป็นการดีการปฏิบัติของเราจะ ภาก้าวก่าหน้ามาปรกกว บ, บปัจจุบันไม่งั้นมันก็จะมองติดแค่ภาพแรกอย่างเดียวจบแล้วให้เป็นอะไรไม่ไหนก็นจะเป็นอย่างนี้แหละ ว, ว่าทําไมหรือไม่ไปมาไหนเอ๋อเราก็มีภาพเดียวเนี่แหละจะ่เราดูภาพสองภาพสามมันไม่มีมันไม่เกิดขึ้นภายในใจของเราเราก็ไม่ไปไหนเมื่อไปไหนก็แปลว่ามันติดมันคืออุปทานน่ะมันยึดมั่นปล่อยม่ไมันวางไม่ได้ถ้าเห็นอย่างนั้นเราก็สามารที่วางได้นี่นแหละแต่แบบนี้ ก็ขอเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนอย่าเพ้ออย่าถอยทำภาพสับภาพนี้ให้เกิดขึ้นปรากฏขึ้นในใจของตัวเองให้ได้และเราจะมีกำลังใจในการปฏิบัติอย่าน้อยชั่วครั้งชั่วคราวก็ยังดีเดี๋ว่าไม่เห็นภาพสักภาพเลยนะโอ้อันนี้หนักเลยเรียกว่าบอดสนิทระวังรับพื่อคงไม่ใช่บอดแต่นั้นแต่นั่นเด็ดลางๆก็ยังดีนะ เห็นใ้ข้างหนึ่งก็ยังดีแต่ถ้าเห็นทั้งสองข้างดีที่สุดเลยจะควบค่างไปและตัปฏิบัติก็จะลืมนะเดี๋ยวเราจะขอเดินด้วยขาต้องต้องข้าวไปข้างหน้าไม่จะอยู่เฉยๆเราเจอเป็นผู้ก้าวหน้าการปฏิบัติเท่าอันปฏิบัติธรรมของเราก็จะก้าวหน้าก้าวหน้ายังไงก็คือดูเว็บโลกผู้ก้าวหน้าที่เจริญต่างโลก ดูทางธรรมก็ง่ายคือเจริญทางธรรมขอมเราต้องหลายให้ได้เป็นความทุขเป็นเจริญทางทางโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านเถิด